พระโสนะบรรลุอรหัตตผลครั้นต่อมาท่านพระโสนะได้ตั้งความเพียรให้พอดีปรับอินทรีย์ให้เสมอกันและถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นได้ลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิตกายและใจไม่นานักก็ได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์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 ได้เป็นพระอาหารหันรูปหนึ่งในจำนวนพระอาหารหันต์ทั้งหลาย